สิ่งเหล่านี้แหละเป็นควา ม, มกดข่มอย่างแรงอันทั่วรายนะฮะเนี่ยจะเท่ากับว่าเป็นการต่อต้านการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธใช่หรือไม่คะนะฮะแต่อิสระเห็นว่าถ้าหากว่าความเห็นของอิสระเขาเห็นว่า อ, อาจารย์พูดเนี่ยในขณาดนี้เนี่ยคงจะพูดไปในปรธรรมะขั้นสูงนะฮะถ้าอันนี้ก็อาจจะเป็นธรรมะขั้นต้นก็ได้นะฮะทีนี้อิสระเข้าใจว่าไปคือก็เป็นคำถามที่จะถามอาจารย์เนี่ยว่าอาจารย์กําลังจะบรรยายสิ่งที่พูดสอศาสนาเรียกว่า อพยพ ก, กับทำอะไรหรือเปล่าคะนะคะใช่ไหมคะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อน u n f e a s i b l ะคิดไม่ได้เป็นสภาพที่เหนือความคิดหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการเจริญปัญญาใช่ไหมคะคือเป็นธรรมะขั้นสูงนะคะขั้นสามเป็นข้อข้อไปไม่ถึงข้อที่สข้อที่สามสภาพอพยพกับจะทำอะไรเนี่ยนะไม่รู้ผู้ถูกผู้ผิดหรืออะไรเนะี่ยะไม่ไม่ค่อยคุ้นกับสอบพวกนี้นะะที่อาจารย์พูดอยู่อันหนึง่ง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 เราต้องการต่อค่าการลืมตัวหรือตนไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ว่ารู้ตัวนะคะคือไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นนะ่ะคือเป็นการลืมตัวฉันอยากจะพูดว่ า, เ, าเป็นการลืมตัวมากกว่านะฮะจะไม่พูดรู้ตัวสดอันที่สข้อที่สี่นะฮะสวรรค์นรกมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่นะะอาจารย์พูดว่าท อ, องคําถ้าไม่มีคนเข้าไปเนี่ยนะคะคือไม่มีคนรู้เนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ใช่ไหมเพราะคนรู้เข้ามันก็มีค่าเป็นอะไร แต่สวัสดินั่นหรอกเนี่ยมันต่างกับทองคําหรือไม่นะะอยากจะให้อาจารย์พูดอันนี้หรือว่าอาจารย์จะบอกว่ามันก็เหมือนมะม่วงแบบ ม, แบบ ม, ม, ออมีแบบไม่มีหรืออะไรมีแบบไม่มีอะไรอาจารย์อธิบายทีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเว่ามันเป็นศูนย์หรือไม่ทนีนี้ถ้าท่านฟังมาทั้งหมดเนี่ยท่านอยากจะสรุปความคิดว่าในขณะที่คิดเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าในขณะที่คิดก็เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่ เราผมคิดน ะ, ะถ้าจะสรุปเลยอ่ะง่ายๆน ะ, ะให้จํากันไปก็คือว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่ไหมคะจำไหมคะ่ะถามเมือนตุรินก้นเลยนะครับเป็นชุดเลยถามข้อที่หนึ่งน ะ, ะ <c oughs> ข้วไหวก็ได้ข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าจเจริญประสติเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ว่าชั่วร้ายมากก็จะกดผมอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็การต่อต้านการปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะอะไรเนี่ยอาจารย์ตอเรียกรือโมหรือว่าอะไรนะเพราะอาจารย์ยกตัวอย่างความจริงอาจารก็ไม่พูดนี่ตรงๆอาจารย์ไปพูดไปว่าเป็นเรียนจากความอะไรสองคนอะไรอย่างเงี้ยโยขีอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนี่แต่ฉันรู้ว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันคืออาจารย์กําลังจะบอกว่าการเจริญสติต่างๆเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทำมาก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่พูดตรงๆอะไรเตีความมาอย่างเงี้ยชายสาก็ม่รู้นะนี่คือข้อ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 อยา ก, กันนั้นเลยเราเห็นคุณข้าวตรงไหนเราพูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไม่แยแสแี่คําพูดที่ว่าการสะกดคมอารมณ์นั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายผมผมไม่เคยพูดนะผมไม่ได้จริงๆผมไม่เคยพูดว่า ต, ต้องอ่านดีๆนะผมเพียงจะบอกว่าการสะกดคมอารมณ์ที่ชั่วร้ายนั้นไม่ใช่สิ่งอย่างยืนน ะ, ะสะกดคมแรงขับอันชั่วร้ายนัผมใช้ประโยคนี้นะแรงขับอันชั่วร้ายซึ่งเปน ทางสิบวิทยาครับคนทุกคนเนี่ยถือกันว่าอย่างเี้ยวิยามีแรงขับเช่นการทำร้ายพวกอื่นเรากดขมไว้มันก็ไม่ทำร้ายแต่มันจะระเบิดวันหลังผมไม่ได้ดิสเครดิตการเจริญสมถ ะ, ะภาวนาด้วยผมเองปฏิบัติอยู่ด้วยถือในฐานะการพักใจแต่ไม่ใช่วิปัสนาผมตองบอกนะผมตองบอกว่าทุเรียนนั้นเปลือกก็มีนะไม่ใช่มีแต่น ดังนั้นโทษผมไม่ได้นะที่ที่เป็นอย่างนั้นก็ต้องอ่านดีๆนะครับเรื่องอพยากตะถ้าใช้สับแสงมากๆก็ลำบากครับแต่ว่ามีข้อทจจริงนหนึ่งที่ผมอยากเรียกร้องให้คนรุ่นหลังๆนะครับรุ่นใหม่ก็ตามใส่ใจในรุปในลุกติของธศาสนาบ้างเราจะเอาเปรียบศาสนาจนกระทั่งไม่รู้เกณในศาสนาหาคำพูดมาเสนอเราเหมือนขนมหวาน มันไม่ได้ครับมิรุติเป็นศิษย์ที่อาจารย์รุ่นมบราณค้นคว้ากันมานานมากนะคเป็นยกตัวอย่างศัพท์โลกๆครับมาโนดมโนโอชาเขาแปลความรักหมายว่งโอชาทางใจศัพท์เหล่านี้มีความหมายมีสภาวะรองรับเราจะเอาเปรียบศาสนาครับเราศึกษาบ้างตามจำเป็นนะแม้กระนั้นถ้าไม่อยากศึกษาก็ได้ครับจะต้องเจอคนที่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 พอสำคัญที่สุดคือผมเพียงเรียกร้องให้มีการพิสูจน์ผมไม่เคยเรียกร้องให้ใครเชื่อเลยนะผมบอกลองดูถ้ามันไม่ได้ก็ ค, คือไม่ได้แล้วอย่ามาโ่าผมไม่ได้นะแต่มันดีมันก็ดีนั่นอันหนึ่งจาไม่ได้หมดนะครับ น, น, นี่นะครเพราะอาจารย์อิายในเรื่องของขยแล้วนะครับคือสิ่งทีท่อยูน่นอกเนี่คืเป็นธรรมะขั้สูงรับ อ, ญญ อ, อนี้ ด, ดีนะครับพักพักนี้ก่อนนะครับเพราะมีประเด็นที่ต้องพูดจะหาสาระประโยชน์ได้ประเด็นนี้ธรรมะนี่มันสูงหรือมันต่ำมันง่ายหรือมันยากจริงทุกคนตอบแทนได้เลยครับธรรมะนี้นะครับเพราะว่ามันลึกก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดไม่เคยดู ไม่เคยก็มมองบอกน้ําที่บ้านเราลึกเราไม่เคยดูเลนก็ไม่รู้ว่าลึกหรือตื้นครับแต่ครั้นพอเราเหลียวดูเท่านั้นครับสิ่งที่ลึกกลายเปตื้นนะจินตนาการนึกสะแห่งหนึ่งครับสะลึกทีเดียวถามว่าสะลึกหรือว่าน้ํามันลึกจริงน้ําไม่ลึกไม่ตื้นครับสะทางกาที่มันลึกนะตัวเราเนี่ยมันไม่ลึกไม่ตื้นนะครับแต่ว่าถ้าเราแล่นเลยไปแล่นเอยไปแล่นเอย เลยหลับโดยภาษาในตัวอย่างป ร, ว, ปรว่าท่านเล่นเลยหลับไปแล้องครับะอะไรนะใช่ครับครับวิ่งไล่ทงตัวเองครับอย่างนี้เรื่องตื้นอนาจะกลายเป็นเรื่องลึกก็ได้นะเรื่องใกล้กลายเป็นเรื่องไกลนะตามเขาเข้าใจงงผมเนี่ยนะทางนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลครับแต่มันวกบน คือพอไปทางหน้าเดี๋ยวหน้ากลายเป็นหลังหลังกลายเป็นหน้าอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเริ่มมีจิตใจที่ซื่อนะครับคําว่าซื่อนี่นคำว่าสำคัญนึ่นนะครับน้องแต่ความศักด์ซื่ออุชุ ป, ปฏิบันโหนปฏิบัติตรงๆอย่ามากเรื่องอย่าตั้งเงื่อนไขกับพระพุทธศ า, าสนาศาสนาตัวเองบูชานะเราพูดว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าคําสอนขั้มแต่เราตั้งเงื่อนไขตั้งเยอะแยะไป เราทำเข้าไปตรงๆครับถ้ามันเหนื่อยจะปวดเราก็ต้องทนเข้าไปตรงๆนะเดี๋ยวนี้คันที่ทํากําลังสูญหายมาจากแผ่นดินนี้นะคนไม่ค่อยทนเลยครับผมสังเกตดูผมจะสังเกตผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อลงขึ้นรถแม่นี่เด็กหนุหน่มสาวทู่ทางนั้นเลยครับก็เดินชนทันทีเลยโดยเอยเราคิดว่าเราแก่ไปแล้วก็ไม่รู้ผมจําได้ตอนเด็กๆ เ, เราจะเคลื่อนไหวร่างกายเราระวังผู้ใหญ่พือนี่ไม่เลยเขาเขาดับเครื่องชน ไม่ไม่ไ ม, ม, มีปัญญาบรรยงนาเพราะว่าจะผิดก็ได้นะถ้าว่าจะมีมิติที่ลุ่มลึกก็คือมันอยู่เหนือความคิดครับอย่างผมจะนึกผมจะสร้างภาพว่าขอให้ทุกคนนึกถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเราก็เริ่มใช้จินตนาการแรกๆอาจจะคิดถึงลูกโลกจั ก, กรวาลถ้ายังคิดได้ผมบอกยังใหญ่กว่านั้นได้ใหญ่กว่านั้นอีกในสุด ใหญ่ไปใหญ่มาไม่มีครับคิดไม่ได้ลงเล็กที่สุดเด็กทีคิดถึงลูกบอลเลครับเล็กกว่าลูกบอลเปนลูกตะกร้อเล็กเป็นลูกบเบรียดเป็นปลายเข็มยังเล็กได้ถ้ายังนึกได้ยังต้องนึกต่อได้นึกจริงๆไม่มีครับลองนึกได้เท่าใดเราอย่างรู้เท่าใดธรรมะก็ตื้นขึ้นเท่านั้นครับธรรมะก็กลายเป็นธรรมดาขึ้นเท่านั้น ประเด็นอีกประเด็นที่ว่าลืมตัวนี่สำคัญครับสาคัญมากในเบื้องต้นนั้นนะครับมนุษย์ไม่รู้จักตัวเองโดยพื้น mm. เด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งเขาพาผู้หญิงไปเที่ยวในปา่าผู้หญิงเขาก็ขโมยทรัพย์สมบัติแหวแหวนเงินทองเครื่องแต่งตัวนี้ไปหัวหน้าเด็กหนุ่มก็ออกติดตามหาพบพระพรธองค์นั่งอยู่ใต้ร่มมานีครับทูลถามท่านว่าทรงเห็น ผู้หญิงผ่านมาทางนี้หรือเปล่าพระเจ้าทรงหวังดีก่อเขาก็จักย้อนถามว่าเธอจะหาตัวเองหรือหาผู้หญิงดีหรือตัวเองหายไปยังไม่รู้เลยครับลืมตัวอยู่ตลอดเวลายังไม่รู้ตัวเลยซึ่งเป็นเหตุใหญ่เหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กหนุ่มคนนั้นถอดรองเท้าแล้วเข้าไปนั่งสนทนาด้วยต่อมาในกลางสาวกองค์ที่สําคัญมากๆในการเผยแผ่ในยุคเริ่มต้ น, นครับ60รูปที่ตรงท่งไปแยกกันคนละทางสองทาง โดยคำพูดง่ายๆว่าจะหาตนหรือ ห, หญิงอนีคือการลืมตัวนี่ทุกคนเป็นอยู่แล้วคือคือพอเราเข้ามาในความคิดเราก็ลืมตัวเองทันทีครับดังนั้นที่เบื้องต้นต้องรู้ตัวนะแต่ในบั้นปลายคลี่คลายการลืมตัวอีกหนึ่งในการลืมตัวแบบรู้ตัวครับแล้วรู้ตัวแบบลืมตัวครับนั้นคําถามนี้มันเป็นคําตอบตอบ่อผลการภาวนามันไม่ใช่คําตอบตอบ่อเบื้องต้นเลย เมืนเป็นผลการภาวนาครับเราจะทำลืมตัวกันเลยถูกลดชดจริงๆเลยเนีครับเหมือนเช่นเดียวกันกับการที่คนผู้อยู่เหนือศีลเขาต้องผ่านการรักษาศีลมาแล้วครับขมานมัหลายขั้นหลายตอนมากครับแล้วแต่เราจะมุ่งเข้าสู่เจาะประเด็นไหนแล้วเน้นประเด็นไหนดังนั้นประสบการณ์ของการบรรยายที่ประชุมหลายแห่งนะผมพบว่า ประชุมชนที่บรรยายยากที่สุดคือในขํากลางความหลากหลายมีทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งทั้งคนหนุ่มสาวทั้งพวกนักแอนที่พวกนักป้านสังคมพว ก, กอะไรยากมากครับดังนั้นต้องเลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นข้อจํากัดของการบรรยายในรูปปาสัถาหรือใช้คําคพูดเป็นสื่นอ น, นะครับดังนั้นประเด็นนี้ขอให้เข้าใจนะครับว่าโดยพื้นเทมนุษย์ถูกยั่วยุจากอารมณ์จงกระทั่งรื้ตัวงที่ส่วนใหญ่ มันหมายถึงคนบงคนเกิดมามีชาติกําเนิดดีพ่อแม่ดีอบรมเลียงดูถ้าเป็นคนเรียลลิสติกตัวง่านไม่เพ้อฝันเขาก็มีสติดีลืมตัวน้อยลงครั้นได้ยินได้ฟังคําสั่งพระเจ้าเขาก็ต่อยอดได้เลยแต่โดยทั่วไปแล้ว้วขอให้ใ ห, ให้มองว่าเราเองมักจะลืมตัวบนะ่อยกําลังผัดข้าวอยู่กําลังอาบน้ําอยู่ใจอยู่ที่ไหนไฟเปลวว่อนเลย งนั้นต้องรวบรวมความรู้ตัวซึ่งเสมือนการสะกด ต, ตัวเองซึ่งไม่ใช่นะครับการสะกด ต, ตัวเองนั้นเป็นผลที่ผิดพลาดเป็นการกระทําที่ผิดพลาดครับเป็นการต้านกระแสพลังของชีวิตนในตัวแล้วจะเกิดแรงเสียบทานหรือขับแย้งมากถ้าปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็อุดปักจุกน้าอกขอยรู้ว่าปฏิบัติผิดครับเหมือ น, นการเจริญภาวนาดูตัวเองนั้นเป็นการกระทําแบบเล่นๆ อ, อ้าแล้วพอเจอเล่นๆแปลว่าไม่ทําไปเลย มันลําบากตรงนี้ภาษาเนะอะผมบอกให้ทําแต่อย่าทำจริงแต่ให้ทําจริงๆเห็นข้อจํากัดภาษาให้ปฏิบัติจริงๆแต่อย่าเอาจริงแต่คนเรามีวาสนาพอเรื่องเอาจริงก็เครียดทันทีเลยครับถ้าไม่เอาจริงก็คือไม่ต้องทําไม่ปฏิบัติมันลําบากจริงๆภาษามันมีข้อจํากัดดังนั้นให้ปฏิบัตินะครับเพื่อให้รู้ตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเหมือนสะสมเงือนทีละบาททีละบาท วันสองวันแรกไม่มีผลนะครับเงิน3บาททําอะไรไม่ได้สมัยนี้ครับแต่ที่ปี30ผ่านไปจากการสะสมน้ําที่ระยอดของความรู้ตัวที่ระยอดที่หยดเมื่อปริมาณมันถึงระดับหนึ่งมันจะแปลหน้าที่มันนะฮะอย่างน้ําแก้วเดียวนี่ก็ดับกระหายได้น้ําถังหนึ่งอาบได้เงินบาทหนึ่งซื้ออะไรทอฟฟี่ได้สักลูกมเม็ดเดียวแต่เงินแสนเงินล้านซื้ออะไรได้ทีเดียวนะ นั้นเมื่อเจริญภาวนารู้ตัวเรื่อยๆนี้มาถึงจุดหนึ่งมันจะแปลสภาพครับอาจใช้คามาตกผลึกทางปัญญาก็ได้ครับมันแปลจากการรู้ตัวไป็นการเห็นล้วนๆนะครับทำให้เห็นอะไรเห็นรูปนามเห็นตัวเองเห็นอะไรก็ได้ที่มันมีให้เห็นถ้ามันไม่มีไปเห็นข้าวก็เป็นเรื่องสร้างขึ้นถ้ามันมีกลับทำไม่รู้ไม่ที่นี่ก็โง่ไปแล้วมันจะเห็นสิ่งที่เป็นเห็นโดยธรรมชาติมันเอง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 พอเรารู้ตัวทุกซอกทุกมุมของอารมณ์ของเราแล้วนะครับรู้กายกายเคลื่อนไหวองนี้จทันท่วงทีขึ้นนะรู้จิตรู้ความรู้สึกตัวอะไรสารพัดที่ให้คุณรู้ที่มันมีอยู่จริงมีสภาวะจริงรองรับนะเมื่อรู้ทั่วแล้วนี่ก็เกิดอาการลืมตัวครับลืมลืมตัวซึ่งนี้เป็นการคลายออกมันเหมือนกันเข้ามองครับทีแรกมืด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 คถึงอิ่มโดยไม่กินก็หิวอยู่นั่นเองครับเคยอาจารย์ให้ภาษารู้ตัวแล้วให้ลืมตัวเนี่ยมันฟังยากผมอธิบ<อ>ายผ ม, อยมบอกแล้วฟังยากเอาเอาให้ง่ายสิครับแล้วตัวทั้งหลายคือรู้ตัวแล้วให้ลืมตัวให้หมายความว่าไอ้ลืมคํานี้หมายถึงว่าไม่ยึดมั่นในทีวิตถูกรู้นั่นใช่ไหมฮะคือไม่ยึดมั่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นไม่ต้องไปรู้ตัวอะไรแล้ว เร่ไเลยคือปล่อยนะก็ได้ครับยึดมันปล่อยวางไม่ร่ะได้นัอันนี้เขา้าใจแล้วก็บอกว่าให้รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวให้ลืมตัวมันฟังแล้วมันมันก็ลาไา้ผมไม่มีลาบากพยายามจะบอกเตือนนั้นเองไหมบอกพอ่ฮรู้ตัวแล้วก็ไม่ยึดมันเหมือนก็ลืมลืมลืมพูดมาถูกจรือว่าไม่ยึดมันในตัวนั้นแหะนะครับส่วนที่ว่า เจ้าว่ามารนกจะไปหาผู้หญิงดีหรือจะหาตัวตัวตัวตัวเองดีมารนกแต่ปมพรามณ์เาชอบพิหาอัตตะพระเจ้าต้องต้องต้องยื่นเหลื่อไว้ก่อนนะฮะเริ่มต้นเลยจะหาอัตตะดีจะหาผู้หญิงดีพรามชอบใจว่าต้องการหาหัตตะเพราะเป็นพรามจะหาตัวตนพราหมณ์ทุกคนจะหาตัวตนก็ไปพยายามหาหาไปหามาลืมตัวแล้วไม่มีตัวแล้วเป็นพระอรหันต์ครับตอนนี้ เราคงเรง เ, เล่นกลนภาษากัานหรือเปล่านี่ยครับเราเดินมาคือสิ่งสําคัญไม่ใช่ตัวภาษานะครับเป็นอยู่มาที่น่าสนใจนิ้วที่ชี้ไปที่ประจันครับถ้าเราใส่ใจในนิ้วมากเราจะลืมดูประจันไปนิ้วมันที่บอกภาษามันบอกถึงสภาวะให้เราดูอันนั้นเราอย่ามาดูอันนี้เข้านี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องรู้ว่า ภาษามันรับใช้เราได้ระดับหนึ่งนะครับมันไม่อาจตอบสนองได้ถึงที่สุดภาษาที่บรรลุธรรมเฉพาะพักก็ไม่ใช่ด้วยภาษาครับลําพังคาพูดต่อองค์คริมานว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดต่อให้เราอัดเทพแล้วเราฟังกันคืนละห้าร้อยเดียวเราก็ยังเหมือนเดิมครมันขึ้นแต่สภาวะภายในของผู้นั้นมากกว่านั้นคําพูดที่ว่า เราหยุดแล้วเธอไม่หยุดผมเชื่อคงไม่ได้หมายหยุดฆ่าก่อนนะครับแล้วคํว่าคนอาจจะมายถึงอัปตาตัวตนก็ได้นะครับก็เป็นได้แล้วก็องค์คริมานั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราอาจจะแปลกใจในฐานะชาวพุทธซึ่งพุทธศาสนาเผยแพร่มาสู่ประเทศนี้นานรับพันปีนะครับต่อคําพูดง่ายๆที่ว่าทําไมองค์คริมานจึงสมาทานการฆ่าคนโง่ลายปานนั้นถูกหลอกถึงนาดนั้นเชียวหรือครคิดเล่นบ้างไหมครับว่า แล้คนโง่ปันนี้เป็ น, นหลักฐานได้อย่างไรปกติแต่ถ้าเราคุค้นเคศาสนาในอินเดีเนยนะศาสนาแห่งโจร น, นะครับหรือเราได้ยินข่าวที่ญุ่นโอมชิลิเกียวนะครับนั่นคือศาสนาปฏิวัติสัญลักษณ์ของเทพระเจ้าพู้ทำลายล้างดังนั้นการประหารชีวิตการฆ่าสัตว์เชื่อส่งวิ ญ, ญญาณสู่สวรรค์ก็คิดก็มีระบบคิดเขาอย่างนี้ด้วยนะแต่นั่นไม่ใช่พุทธศาสนานะ หลายลทัทธิเชื่ออย่างนั้นนะครับตายเนี่ยดีแต่ถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ที่จะฆ่าคนเราฆ่ากับฆ่ากิเลสที่ทําให้คนเป็นทุกข์เนี่ยพุทธศาสนาเน้นมาที่ตรงนี้ครับดังนั้นสิ่งสําคัญผมผมอยากจะเรียกร้องให้ อ, อย่าสนใจต่อรายละเอียดมากนะครับถ้าเราแตกสู่รายละเอียดมากเราจะหลงโคลงกลายเหมือนตอน้นไม้จะแตกแตอนในสุดเราจะหลงโขนที่มางไน ประมวลลงมาที่คำสอนที่เน้นเนาะที่พระเจ้าสอนเรื่องสีประทานนะครับสประทาน4ี่ที่ท่านยืนยันว่าเจวันเจดปีเเดือนเจ็วันกันตั้งเช้าเย็นเลยนะครับสี่ประทาน4ี่นั้นเป็นแกนกลางที่สำคัญที่สุดซึ่งถูกแต่ละรัฐที่แต่ละนกายในเครือพุทธศาสนาได้ประยุกต์ใช้ออกสู่เทคนิคต่าง ผมจะไม่ยุยลายขยายความมากกว่านี้นะครับมีคําถามก็ถามได้อีกครับคงตอบอยังไม่หมดแต่ว่าวพอทีนะครับจะตอบต่อใช่ไหมคะอาจารย์คะศตวรรษนรกมีข้าเป็นศูนย์หรือไม่นะคะหรือว่ามีแต่ไม่มีแบบมะม่วงอะไรเงี้ยนะคะคือว่าถ้ามีคนรับรู้ ก, ก็ถึงจะมีค้าถ้าไม่รับรู้ก็ไม่มีค่าเอาฝากโคดอนหน้าดีไหมครับเพราะมันยาวนะ จะตอบสั้นๆได้ครับว่านี่หลายคนที่กังขาในเรื่องสวรรค์นรกไม่ใช่เพียงความหมายว่าบนดินหรือใต้ดินหรือบนฟ้านะครับหมายความสภาวะที่เป็น ส, สุดยอดสมอุดมการนั้นมีจริงไหมความหมายไม่ได้อยู่ที่วันวิมานที่เป็นตัวปราสาทอะไรนี้ะสมานว่าความสุขสมบูรณ์สุดยอดนั้นมันเป็นคําตอบหรือเปล่ามันคือสวรรค์บางทีเรียกสุกติ ทุกขติก็ตรงข้ามนั่นเองนะครับถ้าเราเยื้องคำอธิบายแค่นี้เราตอบด้วยตัวเราเองได้ครับ mm hmm. ในอดีต mm hmm. ผมยกตัวอย่างตัวเองประกอบไม่ใช่เอาตัวงเหลังนะแต่ว่ามันเอาประสบการณ์เข้ามายันว่าบางครั้งผมเหมือนอยู่ในวิมาน mm hmm. แต่วิมานนั้นแปลว่ามีมานะอย่างยิ่งนะครับ mm hmm. <laughs> ดังนั้น เท hey, พเจ้าผู้อยู่ในวิมานล้นแล้วแมีอัยึอักมิมานะแรงเขาจึงเป็นสุขมากๆสุขในตัวเองด้วยความยึด mm hmm. ถือเพผู้จุติแล้วผู้ทำบุญนุ่มากนะครับ mm hmm. ก็จะเกิด mm hmm. วิมานบุญขึ้นรองรับเขาจุติจากฐานะจิตดวงหนึ่งเข้าไปสู่มนเทียนของวิมานบุญในทางกลับกันก็เป็นนรกถ้าเรามองตัวสภาวะทางจิตใจผมว่านี่มีประโยชน์ คื อ, ค, อความเชื่อใดเนี่ยเราต้องเลือกครับบางคนเลือกเชื่อนรกสวรรค์จริงๆก็ได้นะเขากลัวนะตายไปแล้วตกกระทำเขาหวาดเสียวเขารีบทำคำนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าดูจะเป็นความเชื่อที่ที่ค้นหาที่มาที่ไปลํำบากและถูกค้านถูกวระย่ อ, ยอง่ายใต้ดินนี่นักธรธรณีฟิสิกส์บอกเรานะมันมีลาวาครับแต่เรียกเราว่าเป็นนรกนี่ก็พิลิกพลึก เราสวรรค์บนฟานดูไปลึกๆึกครับคืองบินบินเหนือเมฆตัวนี้นะแต่จะเชื่อก็ได้ครับเพราะสิ่งนี้เป็นเป็นแรงจูงใจทางจริยธรรมนั้นคนที่เชื่อดีกว่าคนไม่เชื่อ mm hmm. เชื่อสวรรค์จริงนรกมีจริ ง, รรงแล้วก็จากความเชื่อเป็นพลังทำว่าไม่กล้า ท, ทําทําบาปแล้วก็ทำํำกุศลใช้ได้ครับ mm hmm. ผมไม่อยากยอมถึงเรื่องอภิปไตยนะซึ่งเพื่อ mm hmm. เพื่อ คงติ่งข้อเข้าใจผิดเล็กน้อยในหมู่ชาวพุทธเรามักได้ยินว่าธรรมาธิปไตยใช้ได้อัตตาทิปไตยโลกาใจใช้ไม่ได้นี่ผิดไปครับผู้เจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยผู้เจ้าตรัสถึงอธิปไตยสามไว้นะครับในฐานะที่ใช้ได้ทั้งสามครับท่านอธิบายอย่างนี้ครับว่าคนบางคนนั้นตื่นขึ้นกลางดึกนะครับและคิดถึงตัวเองว่าตัวเองยังทุกข์ยากอยู่ปลาลกตนขึ้นมาเป็นหลักแล้วภาวนา เรื่ออัปตาทิฏฐาใช้ได้แล้วต้องใช้ด้วยสิครับเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นนะแต่คนบางคนไม่ใช่อย่างนั้นครับคนคนดําริในใจว่าอาจารย์เราเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงย่อมอาจจ่านใจเราออกถ้าเราคิดชั่วคิดเลวขี้เกียจลายท่านนะปลาลบผู้อื่นแล้วลุกขึ้นเผานะก็ใช้ได้ครับทีนี้ธรรมมาทิปไตยไม่ปาลารบจนไม่ปาลารบโลกไม่ปลาลบผู้อื่นเลยปาลารบกลไกในตัวมันเองนี่ครับ เหตผลในตัวมันเองเรียกปลาลบทำธรรมาพิพไธยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจแรงผลักแรงจูงจะพูดเลยใช้ได้ครับใช้ได้ทั้งสามเลยครับแต่เมื่อเราเข้าใจติดไปแล้วเราก็ตัดสองประเด็นซึ่งเป็นหลักสําคัญเนอนะปลาลบต้นขึ้นมาตนยังทุกอยู่นึกถึงตัวเองว่าโลกภัยไข้เจ็บเปรียดเดียนอายุแก่เท่าเราต้องทํากิจที่สําคัญก่อนปราลบทิ้งนะปราลบถึงตนที่นี้นแล้วก็ภาวนาถ้าได้ดีครับ แต่ถ้าเปรียบกันแล้วเนี่ยธรรมมาธิปไตยบริสุทธิ์กว่าคือมันไม่ติดยึดอัปตาว่าอัตตาของโลกและอัปต์ตาตัวเองนี่แต่เราต้องเข้าใจสใี่ช่วนว่าอาทิตยตายสามใช้ได้แต่เราเข้าใจมันดีเราก็ใช้มันเหมาะสมใช่ไหมครับบางครั้งต้องใช้อัต์ตาธิพยตายวลาล้มตัวเองบ้างว่าทุกยากอย่างไรทุกทอดทิ้งอย่างไรก็คือไม่รู้ธรรมานี่คนที่เราอิงแอบอยู่ตายไปเราจะอยู่ยังไง นี่คืออัตปตาทิปตาครับมีไหมครับมีคำถาม <1> 1> มีคำถามสุดท้ายถ้าหากท่านจะสรุปอย่างนี้ถ้าหากไม่ตรงกับความคิดอาจารย์อาจารย์ก็ช่วยสรุปให้ด้วยนะคะในขณะที่ความคิดก็คือเอ่นในขณะที่คิดก็เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่คิดนะคะก็จะสรุปว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่ไหมใช่ใ<า>ช่นะคะอาจารย์จะสรุป ผมจะไม่ตอบ ว, ว่าใช่หรือไม่ใช่เลยครับเพราะว่าตัวผู้ ค, คิดก็คือรูปแบบหนึ่งของคามเหมือนคือสโนมูติชอบพูดนร่องนี้มากนะครับในเรื่องของการแแยกระหว่างผู้คิคคดกับที่เรา ค, ครับต้องต้องให้โอกาสผมพูด <laughs> <laughs> เรามักจะได้ยินตัวอย่างจากคาสอนครูระดับนำของโลกเช่นคุณสนมูติพดีหรือผู้สอนสายนั้นพอดีนะครับให้พีานาดอกไม้ แล้ก็ภูมิหลังนะครับว่าเราดูดอกไม้ถ้าเราคิดแทรกเข้าไปนี่มมีผู้คิดแต่การศึกษาในกรณีอย่างนี้ไม่ค่อยมีผลครับการดูความคิดผู้คิดกับผู้ดูเนี่็นัันเดียวกันครับพอเห็นมามันจะดับทั้งคู่ผมอธิบายตามความสื่งผมนะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องในธําอะรางนี้เพอความคิด ป, ปรากฏขึ้นในขณะนั้นการเห็นปรากฏขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับ เมฆสองก้อนประทะกันอย่างรุนแลงแล้วกลางเระออกน้ํามันพูดไม่ได้มีผูดดด้ดูผู้คิดหรือผู้สิ่งที่ถูกคิดอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราหมายตาขึ้นเนะเราหมายว่าเมียนั้นเมียนั้นแต่ถ้าเรามาดูอาการภายนอกเส่นผมนั่งดูท่านสงวนอยู่ท่านสงวนถูกผมดูไอ้นี้อันนี้เปการสอบสวนทางด้านจิตวิทยาครับไม่ใช่การภาวนานะไม่ได้นั่งดูอย่างที่แล้วก็นี่ไม่ใช่การภาวนาเลยครับโดยข้อที่จริงก็คือ ผู้คิดผู้เค็มผู้เปรี้ยวผู้หวานเป็นวิญญาณครับนี่โดยหลักดังนั้นเองเราจะจับมันไม่ทันนะครับดังนั้นจะมีความคุ้มเครืออยู่ตลอดในการสอนแยกแยะในเชิงจิตวิทยาและโดยข้อเท็จจริงใ่าง่จิตวิทยานในนี้ก็ไม่มีใครยืนยันเลยว่าการที่ิกมันปลอยพูดเรื่องจิตใต้สำนึกจิตมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับในพุทธศาสนานั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเขาจิตใต้สำนึกจิตกึง่งสำนึกจิตเนื้อสำนึก แตกแจงขึ้นมาเพื่อบําบัดชั่วงข้างช่วงช่วคู่ช่วงยามนะครับเราประกาศสั้นที่สุดของนักจิวิทยาก็คือที่ประมวลสรุปว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมดถูกคอนโทรลภายใต้เซ็กซ์นี่ไม่จริงในพุทธศาสนะพระนารคามีอยู่ในอํานาจนั้นได้นะครแต่ได้การข้อสรุปซึ่งนักวิชาการนี้เชื่อกันทั่วและพานออกมาจับตัวพุทธศาสนาด้วยนะผมขอเตือนให้ระวังมากๆนะครับในจิตวิทยาหรือ วิทยาศาสตร์พิศษกส์นเนี่ยผู้คนเหล่านั้นเป็นนักวิจ า, ารณ์แนวนําหน้านะครับแล้วก็หันมาสู่พุทธศาสนาด้วยความคิดว่าเข้ากันได้กับวิชาพิสิกโอ้ผมรู้สึกอันตรายมากๆการมาพุทธศาสนาไปเสริมเข้านะวิทยาศารเหล่านั้นไม่ใช่ว่เสียหายนะครับแต่ว่าวิทยาศารเหล่านั้นยังอยู่ในท่ามกลางความแปรปรวนแล้วก็ข้อรู้ต่างๆเกิดเป็นกรณีเท่านั้นสําหรับความรู้ที่พระเจ้าประทานมาให้ เกิดจากการสอบสวนครับความรู้ที่เกิดจากการสอบสวนแตกต่างกันมากกับความรู้ที่สะสมเข้ารู้ที่เทโลกรณีเนี่ยเนี้เปนเปกันมากนะครับเหมือนผมชอบตัวอยาอ่างอนาลิติกอันหนึ่งนะครับความคิดในเชิงตร ก, กะแยกแยะรู้จริงกันแต่รู้เป็นประเด็นแล้วการรู้เป็นประเด็นไม่เห็นเข้าโครงทั้งหมดได้กลับกลายเป็นปัญหาคุก ค, คามภาวะแวดล้อมในทุกวันนี้นะครับหรือคุก ค, คามต่อวิชาการทั่วๆไปที่นักวิชาการ ตีกันยุ่งกัหมดคนหนึ่งก็พูดยามคนหนึ่งคนนึงก็พูดพูกคนไม่ค่อยรู้เรื่องครับส่วนการสัตว์รูนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ไม่ใช่พระเจ้านั่งคิดเป็นกรณีนะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเกิดดนดานขึ้นมาในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หลายเรื่องเนื้อละลิสวิสตะระเริ่มหนึ่นที่บอกว่าความรู้แจ้งทั้งหมดของพระเจ้าเกิดขึ้นช่วงขณะจิตเดียวในขณะจิตเดียวแวบเดียวเท่านั้นบางทีอาจจะเป็นข่าวสารที่ พิสดานนะครับเป็นข่าวสารที่ก่อเกิดทั้งกําลังใจให้เรานขนไถ่ไม่ว่าฐานะเราจะเป็นหญิงหรืเป็นชายนะครับหรือปฏิบัติาเรามากหรือน้อยถ้าถึงเวลาที่รู้แจง้งเปิดเผยขึ้นมาเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกไม่ใช่เราอยู่โหล่ท้ายแถวทําบุญน้อยเป็นกี่ร้อยชาติก็เข้าสู่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ๋ถ้าถ้ายังคารแรงเหลือยกยอดไปเดียนหน้านะครับ นั้นก็ขอจิติเท่านี้นะครับ